พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13บสาพระสูตรที่ส8มพาหิติยสูตรสูตรว่าด้วยผ้าที่ทอมาจากแคว้นพาหิติพระผู้มีพระภาคประทับนเชเตตวนารามวันหนึ่งพระเจ้าปเปเสนที่โกศลทรงช้างเสด็จออกจากกรุงสาวัตถีเห็นพระอานนต์แตกลก็ตรัสสั่งบุรุษผู้หนึ่งให้ไปกล่าวกับพระอานนต์ว่า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 ส่วนในทางดีพึงทราบโดยนหนตรงกันข้ามพระเจ้าประเสริฐที่โกศลสนทรงเลื่อมใสในสุภาพสิทธิของพระอานน์ถึงกับตรัสว่าถ้าพระอานน์ใช้ช้างแก้วม้าแก้วหรือบ้านสวยได้ก็จะถวายสิ่งเหล่านั้นเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ไม่ควรแก่พระอานน์จึงขอได้โปรดรับผ้าที่ทอมาจากแคว้นพาหิติยาวสิบสองศอกกว้างแปดศอก